ถ้าหมดความยึดถือในกายในใจความทุกทางใจจะไม่มีคนเรามีความทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจทุกทางร่างกายห้ามไม่ได้มีร่างกายแล้วต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายแต่ความทุกทางใจเราสร้างขึ้นมาเองสดสดร้อนๆอนดังนั้นถ้าเราภาวนาจนรู้และเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเราจะหมดความยึดถือในกายในใจได้ ความทุกข์ทางใจจะไม่มีมันจะพากออกจากขันขันอยู่ส่วนขันจิตอยู่ส่วนจิตจิตจะกว้างขวางไร้ขอบไร้เขตแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ภาวนาหาความสุขไปจนตายก็หาไม่ได้